หกุสลติกะห้าสิบหกจิตตทุกะสาสบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยากฤิซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิต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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัิญญากฤิซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นจิต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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี13าวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบาวาระ34สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นจิต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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นหนัพยากริตซึ่งไม่เป็นจิตมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระและถึงวิปากะปจจใจมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระหนึ่งบุสละกะห้าสิบเจตสิกะทุกะสามสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิก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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัคคุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัคคุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัคคุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นหนักภยากศฤศิซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสาวาระในสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเหตุปัจจัยมี9้าวาระ ละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งปุชลติกะห้าสิบแจิตตสัมปยุตตะทุกะสาสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยกระดิดซึ่งไม่สัมปยุติจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤตซึ่งไม่สัมปยุติจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตธิจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธิจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตธิจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธิจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทติจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุทธิจิต เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอก oh. ุศลซึ่งไม่สัมปยุติจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกพยากฤิตซึ่งสัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุติจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกพยากฤิตซึ่งสัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสาวาระอารมณปัจใจมีเก้าวาระ ละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิสามวาระในสภาวะธรรมที่วิปยุจักจิตมีสามวาระเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งกุศลติกกะห้าสิบเกจิตสังจัตทะทุกะสาสิบเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิต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 ซึ่งไม่ใช่รัคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรัคนกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รัคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรัคนกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รักคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรัคนกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรักคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัิญญากฤตซึ่งรักคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รักคนกับจิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งรักคนกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งรักคนกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุตุปใจยย่อเหตุปัจมีสิบสามวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง ภวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระหนึ่งภูษะตึกะหกสิบจิตตสมุทฐานทุกะ 38. สามสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเ พ, พราะเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยากฤิตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่ง ม, มีจิตเป็นสมุทฐาน เกิดข so like ึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤิตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยกฤตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ โยเหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระสาสิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นหนักพยากฤิตซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารหันต์ปัจจัยมีเ้าวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระหนึ่งกุศลตุสกะหกสิบเอดจิตตสหภูทุ ก, กะสี่สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมะณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่มิใช่ไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนพยากริซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะะปัจจัยมีสิาวาระ 1. กุศลติ ก, กะ หกจิตตานุปริวัติทุกประสี่อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นไปตามจิตยอ่อเฮตุปัจจัยมีสิบสาวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปลาสปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสาวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตยอ่อ เหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระได้ย่อวาระเหล่านี้ไว้แล้วสามทุกกะเหมือนกับจิตตทุกกะ กุชลตึกะหกสิหกอาชะตึกะทุกะสี่สิบสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในยอ่อเหมือนกับจิตตทุกะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอ ก, กุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจใจมีห้าวาระ 44. ส4สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิกซึ่งเป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเ ห, ปปจจเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระสภาวะธ ร, รรมที่เป็นกุศลซึ่งม่ใช่ไม่เป็นอุปาทายรูป ศสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทิยรูปเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระอธิ ป, ธปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบห้าวาระสี่สิห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ครามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งบูชลตืกกะ69อุปาทานะทุ ก, กะเป็นต้นสี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยอ่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยอ่อเหตุปปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตาปปัจัจมีห้าวาระหนึ่งติ ก, กะแปดสิบสาม สิทธทุกกะสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล ซึ่งไม่ต้องประหารด้ Son yep. rate, วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต <uvo bad> ้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ48สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุสลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้ด her at her at her วยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภพยากฤิตซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤต ซึงไม่ต้องประหารด้วยมากเพื่องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจั ย, ย, จจยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ49สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤิ ซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤตซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระเหตุตุปัจจัยมีหกวาระห้าสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอคุสนซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาจจะสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤิตซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนาสามอาศัย ส, สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรมครคเบื้องบนสามเกิดขึ้นพระเหตุถูปัจจใจมีสามวาระเหตุถูปัจจัยมีหกวาระห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นพระเหตุถ claro. ูปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยในเ้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิยตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกอาใจสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยในเ้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปั จ, จใจมีเ้าวาระ 52. สบสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจ ย, ย่อเหตุปัจใจมีสิบาวาระอารมณะปั จ, จใจมยเก้าวาระละถึงวิปากะปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคัตะปัจใจมีสิาวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระห้าสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีเก้าวาระห้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรกรดด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอระมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง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 อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมาณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งม่ใช่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สะหรคตด้วยสุข เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปะปัจจัยมี9้าวาระห้าสิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรโรคดูเบขาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสาวาระ อารัมณะปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่สอเราก็ดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สอรคโ็ดูเบิขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งเป็นกามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกรรมวจร เกิดขึน้นเ พ, เนพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระห้าสิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจร เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอาทิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจั ย, ยจมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิ ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหกสิบสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่นับหนึ่งเนวัตทุข์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งนับหนึ่งเนวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยาาจย่อ เหตุปัจจัยมีห <g az Compass |notimestamps|> ้าวาระละถึงว <ity> oh. ิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่นับเนื่องเนียววัตถุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับเนื่องเนียววัตถุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหกวาระหกสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุนําออกจากว่าตทุกข์เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอว ah, ิคตะปัจจัยมีสามวาระหกสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหกวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหกสิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหกสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตรองไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตวรองไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตรองไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่อกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภพยากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤตซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสองเวทนาติ ก, กะหนึ่งเหตุทุกกะห5สิห้าสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยสุขเวทนา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 ส, าวว ส, ส, ส, สาภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป ok ็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึง วิปา ก, กับปัจจัยมีสิบสี่วาระและถึงอ ว, วิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละยี่สิเอ็ดวาระหกสิบหกสภาวธรรมที่มีสัมปยุทธ์ด้วยทุกโ เ, เวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุโ เ, เวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกกรรมสุโ เ, เวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติด้วยสุขโภเทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติด้วยทุกขภเทนาและที่ไม่สัมพยุติด้วยทุกขมสุขโภเทนาซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติด้วยสุขโวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติด้วยสุขโภเทนาซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติด้วยทุกโภเทนาซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธิสุขเวทนาซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมี9วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 3. วิปากติกะ หนึ่งเหตุทุกขะหกสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งเป็นเหตุ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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุป ar ัจใจมีสิบสามวาระอารมณะปัจใจมีห้าวาระละถึงอัญญะมัญญปัจใจมีสิบเอ็ดวาระละถึงอาศัยวนณะปัจใจมีหกวาระละถึงวิปากะปัจใจมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสิบสามวาระหกสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่มิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิปากซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่เกิดวิปากและที่มิใช่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิบากซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและที่มิใช่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมี14วาระอารมณปัจจัยมี14วาระและถึงอาศิวะณปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี14วาระ